พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องแปดแหล่งออกยอดภูกตีสี่เรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมโดยอินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทาหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงห า, นา้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุท ธ, ธัส t ะ อาตาขอดจิตโลภริยะญาสัททิงมันตาณิตตติสัตวโทวดุราสัพุริจาตังลายตังยิ่งใจมวนหมู่อันนั่งอยู่ฝังทั้งจุงจักจำติดต่อ บทบาทคอบาลีส่วนโจตีลาเศรษฐีหนุ่มเนาฟังเศรษฐีเท่าจันไรเตี่ยวมาไขเกาวแซงามแรลกแปดแรล่งเฮือนตน <c oughs> ก็มาวนไขได้กาและไม่คำแดงอันเปิงแป้งก่ามากจริงออกจากเกหาแล้วออกไกลกาไปสู่ ยังเฮือนปู่เศรษฐีหันกาและดีผ่องแผ้วฝัดดับแก้วและแสงเป็นคำแดงม้ามาปอสาราบสายตามีตันหาบดใบโลผาใหญ่บังอํากอไข่กัมตานเหลาซึ่งปู่เท่าเศรษฐีว่ากรรมได้มีแต่เก้า ตนได้เล่าใครปันว่าจักแลกกันบ่แทงยังแปดแหล่งกาแลกกันบ่แพ่ดีเวินตัยตามสินก อ, องทาค้าจักนำมาสู่ยังเฮือนปูเรียวปันเอาแลกกันเ จ, เ, จเจ้าเจ้าตามกำรเก่าสัญญา ไดหนะ้ายากจ้าลบหลีกหนะ้าเสียสินือเสียกินเสือดอยได้ตำก้อยมองขีสองเศรษฐีหนุ่มเท่าต่างตาเล่าจากกันต่างมัดขันมันเตียง บ, บ่อบิดเบี้ยงลบหนีฝ่ายโจตีละเศรษฐีใบบอดบอแจงรอดหันไก ก็เรียวไว้ปอกสูญยังตีอยู่แคหาบอกอโนจานอาวฮือหูก้าวตามมีกอมีฮันแลนาตีนันอโนจานอาวได้ยินเจ้าพัวควันหัวใจตันตามก้อยน้ำตาห้อยดำไหลว่าสันได้ปีไทย โลผ้าใหญ่เดือลายบ่อหันลายแจ้งทีบ่อหูตีต่างผ่านกาและบ้านป่งยอดจากเอาไปตอดวางตำแะกาแลลคำแปลงใหม่เอามาใส่เสียสรีคำเรามีลายแหลเต็มจูแม่อานาสันไดจ้าพี่เจ้า บอ่อเกิดละอ่อนหลังบุญมาปังอยู่ทรงฮือการและปงเป็นใบเขาของได้น่อยใหญ่มีพร้อมควายเดือลายตั้งหัวควายเสื้อผ้าตั้งจังมาเงินคำมีนานำกองกอสังบ่พอตั้งไก่ป้อยมีใจหลบหลน ข้ามหลวงปนกองดีละเสียสรีหญิงย้อยเอาของถอยมาแตนอันแก้วแหวนบาดไตมีพอม่อขวายหญิงใจกะและภายติดอกบานปงออกเป็นใบเกยหันในแต่ก่อนเจนปูมอนพิตาเ่นบุญมาจีสองหื้อหูปองหันร้าย ว่ามีคุณหลายมากวางบ่ออาจ้างจะใครขอใส่ใจปีไทยจุงยังไว้ตามกำย่าได้นำไปแหลกจักพิษแพกเสียสรีจักเครื่องขี่โศกเศ้าตุกคำเจ้าไปลุนบอ่อยาจักและนะ ต้องสุดตัวสนส่ว น, นโจตีลาเศรษฐีดมนาวโลภาเขาบังอํ่ากอจากกรรมท่านต่อว่ดดูร า, านังหนอใส่ใจมึงอ ย, ย่าใครกําหยาบก่าห้ามหลาบตนกูกูบอจูด้วยง่ายบอกจางลหลมุสากูได้จ่าไปแล้วบอกกัดแก้วเสียกรรม กูจกนำแปดแร่งจาดไม่แห้งพันแพรกือกาเลเก่าเกลือไปแหลกเชือคำแดงอันเปิืองแปลงกัใหญ่เอามาใส่งามตานางซ้ำจางแงๆว่าบ่อแลกบ่อแหลกเสียได้นางเตียงหม้ใข่ได้เอาไว้ใจแป้งลัวตานางมัวมืดบอด บอแจงสอดหันแซงเปินเอาคำแดงกะาใหญ่มาแลกไม่ตายขานป้อยจะหันตานกล่าวว่ากูงเงาตาฟังเป็นแต่นังหนอด า, า, าจริงบางเต้ามีมากำหนังจากกล่าวตานแม่นมาแข่งหันตัวฟานกล้าไขมันหลาแหลหักเป็นแต่ตนกู บุญมาจูตอบตองจริงปนห้องเครื่องขี่จุมนาร่ลนุมเทาได้แต่เฝ้าเตาไฟคิดจะกานได้หน่อยใหญ่บ่อหูไข่ตั้งมาได้แต่จะอวดอ้ว่าข้าหูเนือลายนั้งอย่าไมยจะ้ามอย่าจมซ้ำหลายคำกูจักนำไปแลกบอหฮือพิดแพกเียซีละเนาะ ตีนั่นอดจชาอไทยหอนเดือดไม่เลือใจจ่ากำไปตันเหล่าว่าคานนองนาไขาปันดังตั้งวันเมื่อก่อนพี่บ่อหอนเอากำโลภาดำลังเลือดโมหะมืดมาวนบ่อถอยห้นกำปากเตียงได้ยากปลายลน ของมีกุณพาเสือถือบังเกิดสวดสดีเอาไปตีต่ำ้อยแหลกของถอยสามานเตียงได้ผ่านโศกเศร้าดังเมื่อเก่าเดิอมอ้อนน้องขอบอนปีไทยจุงงดไวบ้บัดเดียวยาคืดเลียวแต่งแซงแหลกแปดแหล่งคนใด แม่นเอาไก่าักน้าตัวแห่งคานายิงบ่ออยู่ปิ้งรวมคางคอเลือดล่างล้านนี่โจตีละเสร็จทีโคตรกาก็จำกว่าบัดเดียวว่าอีจาเนียวสอนอยากมึงอย่าปากจะาลายอย่าได้ไหมขานาดพามยังหลับตนกูกูบ่จูด้วยง่ายมึงไข่ป้ายนี่ไก่ จุงเร็วไว้นี่กว่าย่าได้จ้าบัดเดียวแดวเตอร์ที่นั่นอโนจ่าดัดน้อยนำตา้อยเป็นสายตุกใจลายทางคอนวะบุฮอนตั้งตัวเหตุว่าผัวร่วมค้าง บ่อไฟอ้างปีญามีตันหาใบบอดบ่อคืตรอตั้งไก่แม่นจะไขกำอมอนก็บ่อพนตามคำซ้ำคับจำหือพาคออกไปจากเกหานังก็ดาดอกไม้มาวางใส่เนื้อขันนำไปปันบ่อจ้าวางต่อนาโจตีละเศรษฐี ก่าวกำดีต้านถอยว่าน้องคนถอยขอลาจากเกหาตีอยู่ดีไปสู่แดนไกลขอใส่ใจปีเจ้ายกโตดเก่าวางตัมอย่าเป็นกรรมบาปไรติดตอบสายตัวนางขอจุงวางเสียงขาดอนุญาตปงดีข้าขอนี้บอยอยู่จักไปสู่แดนไกล แม่นต่อไปไปนาปีเป็นเจ้าฟ้าทรงเมืองเตจะาเรื่องยศใหญ่หรื่อยอยากไรเครื่องขี่หรือเป็นเศรษฐีกว่าเกา่ามูลบางเต้าทมทองน้องบอปองปอกไห้หนลังอวัยขึ้นมาขอสายตาปีเจ้าอยู่เตียงเต้าสดสดี โจตีลาเศรษฐีบาไปวิบากไลตัวทันนโมหันตจักจ้องบ่คุดป่องหันแสงฮักคำแดงหล่อเบากว่าเบี้ยเก่าเตียมคิง บ่คขานิงไปนาบ่อิดกว่าตั้งไกนั่งหายใจยกตอดบ่อการอดกำไดสาลีน้องไว้หน่อเน่างามบ่อเศร้าอนุจากอวางลาละไว้ยังเขื่องใจอลังการตั้งขวานคานลายสิ่งมีการยิงลายอันใจบ่าวันจ่องหอยลาคาคอยคนใน น้ำตาลหยย่อยยาดยกย่างบาดไก่กาจากเกฮาตี่อยู่ออกไปสู่แดนไก่ก็มีฮันแลยนะส่วนโจตีลาเศรษฐีกันเมียนีผ่าคางมันบองอังอะไรย้อนมีใจแฝงไฟกาและไม่คำแดง โมหาแหงหลังโลซ้ำจื่นสูใจบ้านวานงัจหันบาป้าไดผักนาละานีเข้าของมีเลือแลก <c oughs> ูบอกแพรปันไยเงินคำใสมาเต้ากูเป็นเจ้าคนเดียวมันก็เร็วรีบพาวร้องบอกเก่าคนใน หือเรียวไว้ขึ้นสูญยังตีโยกาแลอันผันแพ้ติดงอกยกถอดออกลงมาหือตาสาบวนหมักหามออกจากเฮื่อนตนรีบเจ้าวหนไปสูญยังเฮือนปูเศรษฐีใครกำดีบอกแจงแหลกแปดแหล่งเป็นคำแล้วรีบนำมาใส่ เฮือนใหญ่หลังวางมือกำกังและพ่อว่างามแต่น no อเฮือนกูเล็งพ่อดูใจจ้าเบนหอเจ้าฝาดีดีโจตีลาเศรษฐีใบบอดบอด่อคืดรอดต่างว้ยโลภไลายทางต้องบ่อแจ้งส่องหันใสเต้าคืดใจจะใจว่ากูจกใหญ่นำนาและนะา ซาปานาโนจาส่วนนางอโนจ่าแม่ห้างนีผ้าคางเฮือนตัวย่อนว่าผัวบาไปโลผ้าใหญ่บังอําบ่เอากำเก่าวห้ามซ้ำจมซ้ำจำนีนา่งบุญมีน้อยนาดแกลยย่างบาเตียวไปจักไปในบ่ปอง บ่จ้องตังเตียวเต้าคนเดียวเตียวกว่าเอาไปนาเป็นไม้บ่มีสายบ่มยบแม่เต้าโอแต่นางยิงหาตีปิ้งบ่ได้นางกึดไขไปมาว่ากรรมสั่งจ้ามารอเธอถ้าหมดมองขีดทวนสองตีลืมเรา บางเมื่อเก่าเดิมอ่อนก่อวอวรกันอยากตกลำบากนำนานหน้าบนมาช่วยกำ ม, มีเขานำถมทองรับปะของเครื่องใจเงินบาไตคำแดงแก้วและแสงกามากมีลายหลากหลายอันกำ ม, มาตั้นตอบตาหฮิเปิ้นดาจำนีได้เครื่องขีมหมัดไม่ ตกอยากล้เรร่นทวนสองหนสองปอกบุกขึบอกออกตัางได้ปิดจารณ า, าไปทวนที <c oughs> บอมีตีจีรังนิจจังบอเตียงหูคำเงียงไปม่าโนจ้านอเนาก้ อ, อยไตเต้าตามต่าง กึศเถึงปางหลวงแล้วเคยไดเอวขอต้านซ้ำ ม, มาปานแถมเล่ารอดตี่เก่าเกยหันกันภายพันหิวหอดกอดยังจอดเป็นดีแล้วรีบหนีบอจ้าเอาตางนาเป็นไปกันตาวันใสต่ำก้อยหมูนลกน้อยหากกอน ก็ขอนอนยังอยู่กับป้าปูยิงใจมีเฮือนยายจิ่มไก่ห่นตั้งไก่ไปมาคนหน้าหน้าจูผู้ือยยังอยู่นอนดีเขานั่มมีหับตอนบอกืหผ่อนเครื่องใจ ถึงยามไหนพวกเจ้านั่งน่อเนาบุญมีก่อลานีละภากออกไปจากเกหาสามบรรดาคบไข่นั่งเมื่อยไขหิวแรงเตียวบ่อแข่งหิวหอดจริงยังจอดกาญหาในศาลาใหญ่กว้างตี่จิมคางตังเตี้วเต่าคนเดียวยังอยู่ บ, บ่มีกหยิงใจกันตาวันหายจากฝ้าคนตัวนาหลับนอนสรีบังอ้อนหนอไทยก็อน้อมใบอธิษฐานรำบอนหวานขานกล่าวถึงตัวดาวเทวดาวเทวะสังขายาขาแด่เทวดาเฮยมวนหมู อันมีอยู่นำอยู่หอคำภาษาใสสะอาดวันไว้อยู่เวียงใจแต่ต้องอยู่เขตห้องดงดอนอยู่สิงคอนดอยใหญ่อยู่ต่ำใต้ปฐวีอยู่นาทีแมกวางหรืออยู่สังบิมานบนหรืออยู่หุนอากาศ โยเหวตัดหินพาจุงคุณนาฟังข่าวอันข้าเก่าอาทิตทานเม่นสมปานข้าน้อยบ่อตกถอยยังมีได้กาตำดีก่อสร้างหยาดน้ำอ่างตานไปกับใจได้เมื่อก่อนยังบ่ผ่อนหายตาขอเทวดาช่วยข้า ยกเอาพาหัวน้างนำไปวางจ่องก้องตีแห่งห้องเหืนหอนใจอั น, นได้ไม่อยัดนำห่วมกัน ป, ปั้มเป่งมาก <c oughs> ันนังจ่าเสียงขาดก็อเอาพาขาดหัวตนควางไปบนต่อหนา้าบ่อได้จ่าเร็วปันปูนอัจฉริย์ลำลน พาบ่หล่นลงมาลวดไก่กา้อยหลงไปตามจ่องตั้งเตี้ยน้างชมชะเลวหนอเด้ า, ารีบไต่เต้า ต, ตัวไปเจ้าเวียงใจจูภู้ภัยบ่หูเล่งหันนอนรับกันตัวหน้าพื้นแผ่นผ้าหัวนางบ่ตกวางจ่องกอง ตัดแห่งห้องเหือนได้ยังลอยไปจะใจนางก่อไล่ตัวจอมผ้าบ่อนยอมยังจอดต่อตลอดปัดชิ ม, มาัามหมอกเหมยจ้ำยอดไม้ไก่ขันไข่เป็นสายดาวดวงหลาหล่นคอนผ้าเนื้ออ่อนพื้นบางบ่อตอกวางจ่องกอง ในแห่งห้องปาราลอยไก่กาละภากออกไปจากปุริเทวาดามีตุกหมู่หากพ่ำรูเลงหันก่อเอากันมาไก่ไข่ผาตูไว้ปันนางสลีกิ่งบ้างหน่อนเนาก่อไตเต้าตอยไปถึงแดนไก่ใจจ้า ยามตีนฟ้าเหลืองอ่อนนกจากก้อนตีจอดบินออกสอดหากินผ้าเชียงจินนางนาดกาตกปาดเกฮาเฮือนมงค่าตบน้อยแห่งเจ้ายอดซอยนอปุทธาเป็นเกฮาหลังเก่าแห่งย่าเทาตกผานดังไรการบอกเล่าว้แต่เก่าเดิมมากกมีหัน เลนาะกันสัตตาพอค่อยหันตูปน้อยจูดินนางตาดิ้นนอนเนาก่อขึ้นเล่าไปมาว่าสันได้จากแผ่นพากลอยต่อนาลำตั้งบ่อตกว่างจ่องก้องในเขตหทองปุรีเฮือนเศรษฐีปอ ก, กา้ามีหมากนายหลตา สันได้จ้าก้อยกาดบอตกปาดเฮือนได้ป้อยนีไก่เมืองใหญ่มาตกใส่เกหาเฮือนมงคาตกใจแก่นพังให้ดีๆเราเครื่องขีนอยากไรป้อยป้าใส่คนผ่านแม่นอยากมานกับเพจมาอยู่เขตเดียวกัน กำสั่งตันนคืนขอบสัยญองตอบกูนางนีจ้าหรือเทวดาสรงยู่เฮได้กูเตรียมคิงกันขะนิ่งดังนีแล้วนางนอแก้วอนุจ้าก็อเข้าไปหาตีไกเลงเหลียบไข่ไหลหุน ผัดเววล่นยือส่องพอตามจ้องฝาสานหันใจผ่านกำผ้านอนห่มผ้าภายใน <c oughs> พื้นควาใบปุดขาดบ่มีศาส ท, ทองนอนแขนต่างมอนคดคู่พงลับอยู่สันดีนงังชมสีแลงส่อง ปากองจกไขว่าลุกเตอร์ใส่ใจปีเจ้าค้าน้องเนามาหาแสงสุริยาปรุงรัตสมีปุ่งเรื่องไรเป็นสันใด้ลืมตื่นลับบอดจืนใจคอลุกเตอร์นอปีไทยน้องมาอยู่ไกลเมื่อนา น, านเหตุสมปานคาน้อง หากจากจ้องดำมาสันได้จ้าปีเจ้าบ่อตานเล่าไข่คำคอองค์คำขินคาลุกอย่าจ้าบัดเดียวแดดเติรเหมือนนั้นตุกขาตาผ่านนอแก้วสะดุ้งแล้วเรียวไวคดตัวไหลเล่งพอหันยังหนอนยิงรามรูปคิงงามลำหมก ยืนอยู่นอกฮิมฟ้ายินสังกาบ่าน้นยจริงก่าวถอยกำไปว่าเป็นคนไดต่างนามาเรียกข้าคนผ่านหรือมีการจักใจช่วยแบกไม่แลลัวช่วยหับหัวต่าเขาจริงใตเต้ามาหาขอใครจะบอกกาวหฮือหูเขาตามมี ยินดีจวยใจบอเวนไว้กันไดสรีนงไวยอดซอยงามจื่จ้อยอโนจาก็ใครจ่าบอกเราตั้งแต่เก้าถึงปลายด้วยผาริญยัยทวนที่บอมีที่สังกาก็มีฮันแน่นา เมื่อนั้นทุกขาตานอน้อยได้ยินถอยกำนางมีใจจางลายแหลจริงก่าวแก่กำไปว่าดุราสลีนงไว้หยอดฟ้า <c oughs> พี่เป็นกำผ้าคนผ่านแอวก็ตำการกินจางบอ่อไฟอ่างมีเมียบอ่อขืดเปียแม่ไม้บอ่อขืดไม้หาสาว บ่หวังเป่าแนบข้างกับแม่ห้างนังได้เหตุเข็นใจอยากไรตุกเอาไมแถมเทียวตัวคนเดียวเลี่ยงปากได้ตั้งอยากดีดีนั่งจุ่งนี้ขึ้นสูนยังตีอยู่เฮือนตนยาเววนอยู่ไกลเปิ้นหันใส่ดูอายนั่งชมชัยหน่อเนางามบ่เศร้าเปงแปง กวนไปแฝงห่อมค้างกับเจ้าจ้างเศรษฐีกับกะหาบดีปอก่ากับเจ้าฟ้าราชาบอกกวนมาร่วมพากับคนกำพาตกผ่านแะนะ่นาโนจันยอดซอยก็อตอบถอยกำไปว่าสันได้ก่อแล้วบ่กัดแก้วลานีีแม่นเจ้าตีและดา น้องบอกว่าตั้งได้ออยู่ไปกับเจา้าทารับต่อเตือญ่าวาจีวังบุญปางหลังฟังก่อนหากจักสอนนำมา <c oughs> ขอคุณนะ้าน้องเดาหือได้เฝา้า ห, ห่อเฮือนว่าอันเหมื่อนนั่นตุกขาตาผ่านกำผ้ากอตอบตากำไป ว่าสรีนงไว้เฮยนาจุ่มหา่างแค่นุมเปิงเป้าอุตุข่าดังเต็มสัง่งไข่แอมคนผานอันกระตำการรับจ้างเขาวิดวังแรงง่ายตัวแห่งใจหนีใสเหมือนหุ่นใสส่วนหน้าสันไดจานองเนา <c oughs> มักไข่เฝ้าแปลงปั้นอยู่ตั้งวันกันอยากบอไข่ปากกับไภ ย, ย้อนเข็นใจไร่ถอยตกตำก้อยเหลือลายดาจักตายความนายัางข้างกาใหญ่บัวปีคนตัวปังเป่าเฮือนก็เก่าเปฟปังบอมีสั่งกาใหญ่ปีละไว้ตั้งวัน โจนบ่อพันลักสอดภัยบ่อตอตาแยงสะรีลองแป้งน้องเนาจักอยู่เฝ้าเอาสั่งนั่นจา้าสรีโซผาหยดซอยก่อตันถอยตามีว่าถึงเครื่องขีลำบากบ่อขอผากไก่กา ถึงอาณาธาอยากไร้คออยู่ไกลตนใจจักตุกลายไปนาเหลือยิ่งกว่าตั้งวันหรือจักผันมุ่นมั่งเงินคำลังไล่มามีโผกหล่แหลสุดแล้วแต่เว้นกรรมอันกะตำเมียดไว้หากตัวไล่มาปานตัวตาผ่านกำพาบ่อตอบตากำได เกิดในใจปงขาดอนุญาตปันนางสดีกิ่งบ้างหนอเนางำบ่อเศร้าอนุจาก่อเข้าเกหาตุน้อยไข่เกาวถอยปีญาตุกเครื่องกาแต่ก่อนก่อบายผ่อนหายไปกอมีหัมแหลนา ตาต่อปัญญ า, าแรกแต่นั่นไปไปนานนังนอลาอานุจักก่อรุมราอยู่เฝ้าปฏิบัติเจ้าคนผ่านอันเป็น น, ปนอโปที่าันยอดซอยอยู่ตูบน้อยเจรินปังเหตุกำลังบ่กขาดมาต้องปาดตววตัน นางแปลงปั้นจ่วยสร้างบ่อเก่าอ้างตั้งนีการเฮือนมีน้อยใหญ่เอาใจใส่ตามกองบอ่อทรีปองโลบมากอยู่ตามอยากอนาถาส่วนนอปุถากำผ้าก่อเข้าป่าตั้งวันแอวดองตันทองเถื่อนบอ่มีเปือนป้อสองหาไปตองยวกกย พ, พ้อมพ่ำด้วยลัวฟืน ได้แล้วขึ้นปิกปอกมาสู่ขอกอาณาเข้าปาราแผ่วกาดขายเสียงขาดจู่พากานซสื้อเข้าสารของแหงได้แล้วแสงขึ้นหลังปอกมายัางตี้เก่าดังนี้เล่าจูวันวันกอมีหันและนาะ อเทกาตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งใส่นางนอไทยอโนจ้าหันสามีกาหิวหอดจริงได้ถอดแว่นคำมีกะนำบ่อน้อยจากนิ้วก้อยมือนางนำมาวางต่อนาใจกำผ้าพัวควันว่าพี่ยาพันเข้าป่า อย่าโซลาหาตองจุงเอาของขาน้องไปสู่ห้องปุรีก่ามันมีหายแหล่ดับแต่แต่หลายปันกันเขาหันเตียงซื้อจุงขายืเขาไปปีมีใจใครใดของเครื่องใจนานาจุงซื้อมาตามไฟอย่าเว้นไว้อันใด ใจเข็นใจกำผ้าบ่อหูกาแหวนคำเยะตามคำเมียกก่าไปสู่ดาวปุรี <c oughs> ยืนขายดียืนแหวนดีขายขาดตามโมกาดคนหลายจุย่มหญิงใจเล่งพอบ่ออูต่อไข่กำพ่องเอาตำวางเกา่า ว่าของดีเล่าแปล ง, งเขาเต่าแยงพอยือ้อไผบ่อซื้อสักคนหนอตะสะปนเตียวสอดต่อเต่ารอดถึงแรงายแวนแป้งบ่อได้ร่อนเดือดไม่นานำทำต่อตำแลกเข้าแลกผ้าเก่าขวัวไปบ่อมีไผ ย, ยไครใด แกงหัวไข่ยิงใจคนตั้งหลายหนุ่มเทาก็บอกเล่าตามมีของมันดีกามากแม่นจักลาเกฮากาบตั้งหน้าตรงกว้างกาบอ่างจากเตึงเป็นของเปิงแก่เต้าตนภาบดาวปุรีฤรษีทียศใหญ่ส่วนไผยไต้ยิงใจไผบ่หมยสื่อใด จุงเก็บไว้ขึ้นหลังนอปวดทั้งน้อยหนาจุตุกไม่มาเครื่องแกนก็ควางแวนกะใหญ่เข้าป่าไม่หิมตางหน้ามองจังมนเร้าปิ๊ปอกเตาเร็วปัน้นรีบภายพันมาสู่ยังตีอยู่เฮือนตนก็มีวันนั้นเลนนา เนธตังขีญาสังวันน า, น า, นาวีเศษจาห้องเหตุแปดแหล่งออกยอดผูกทวนสี่บ่อถึงตีบุรมวลหากสมกวรหยอบยั่งจริงยุดเป็นบังก่อนและนาก่อบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนและ